ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก15ผู้กล่าวตูรัตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองประเภทเหล่านี้ย่อมกล่าวตู่หรือหาความตถาคตคือบุคคลผู้คิดประทุษร้ายมีโทสะในภายในหนึ่งผู้มีศรัทธากล่าวตูด้วยถือเอาความหมายผิดอีกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลสองประเภทเหล่านี้แลย่อมกล่าวตู่ตถาคตข้อความจากทุกการนิบาทตอังคุตระนิกายสำหรับข้อนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ร้ายพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่โกรธหรือเกลียดชังเท่านั้นผู้เคารพนับถือมีศรัทธานั่นแหละถ้าเรียนผิด ต, ตรงจำผิดหรือเข้าใจผิดก็อาจพูดด้วยความเข้าใจผิดนั้น ไปในทางให้ร้ายได้เหมือนกัน 16. วิชาภากิยยธรรมหรือธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความรู้ดูก่อนอิกษุทั้งหลายธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชาคือวิชาภากิยสองอย่างเหล่านี้คือสมถะความสงบหนึ่งวิปัสสนาความเห็นแจ้งหนึ่ง สมถะอันบุคคลเจริญแล้วย่อมทำให้จิตได้รับการอบรมจิตได้รับการอบรมแล้วย่อมทำให้ละราคะคือความกำหนัดอินดีหรือความติดอกติดใจได้วิปัสสนาอันบุคคลเจริญแล้วย่อมทำให้ปัญญาได้รับการอบรมปัญญาได้รับการอบรมแล้วย่อมทำให้ละอวิชชาคือความไม่รู้ตามจริงได้ สิบเจ็ดคอธิบายนิพพานธาตุสองอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุมีสองอย่างคือตะอุปาทิเศสนิพพานธาตุกับอนุปาทิเศสนิพพานธาตุตะอุปาทิเศสนิพพานธาตุเป็นไนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์กี่นาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่พึงทำอันได้ทำเสร็จแล้ววางภาระแล้วมีประโยชน์ของตนอันได้บรรลุแล้วสิ้นเครื่องผูกพันในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นยังมีอินทรีห้าดำรงอยู่เพราะเหตุที่อินทรีห้ายังไม่หมดสิ้นไปจึงประสบสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างสวยสุขบ้างทุกบ้าง ความสิ้นราคะโทสะโมหะของภิกษุนั้นเรียกว่าสอุปาที่เสสนิพานธาตุอนุปาที่เสสนิพานธาตุเป็นชนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่พึงทาอันได้ทาเสร็จแล้ววางภาระแล้วมีประโยชน์ของตนอันได้บรรลุแล้ว สิ้นเครื่องปุพานในพบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบการสวยอารมณ์ทั้งปวงของภิกษุนั้นดับสนิทนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุข้อความจากอิติมุตกะสิบแปดธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ถูกลรงแต่งมีอยู่ ดูก่อนภีกสุดทั้งหลายธรรมช า, า human, term, ติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่มีใครทําไม่มีอะไรปรุงแต่งมีอยู่ถ้าไม่มีธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่มีใครทําไม่มีอะไรปรุงแต่งความพ้นไปจากธรรมชาติที่เกิดที่เป็นที่มีใครทําที่มีอะไรปรุงแต่งก็จะปรากฏไม่ได้เพราะเหตุที่มีธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่มีใครทํา ไม่มีอะไรปรุงแตง่งความพ้นไปจากธรรมชาติที่เกิดที่เป็นที่มีใครทำที่มีอะไรปรุงแตง่งจึงปรากฏได้ข้อความจากอิติมุตตะกับสเความเสื่อมที่เลวร้ายความเจริญที่เป็นยอดความเสื่อมจากญาติ อย่างนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยหรอกภิกษุทั้งหลายความเสื่อมที่นับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความเสื่อมทั้งหลายก็คือความเสื่อมจากปัญญาความเจริญด้วยญาติอย่างนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยหรอกภิกษุทั้งหลายความเจริญที่เรากล่าวว่าเป็นยอด <S <S คือความเจริญด้วยปัญญาเพราะเอ็ดนั้นแลท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจะเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาวุธิแปลว่าความเจริญด้วยปัญญาท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหลความเสื่อมจากโคกขซับอย่างนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยหรอกอีกสุดทั้งหลายความเสื่อมที่นับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความเสื่อมทั้งหลายก็คือความเสื่อมจากปัญญาความเจริญด้วยโคกขซั์ ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยหรอกพิกษุทั้งหลายความเจริญที่เรากล่าวว่าเป็นยอดคือความเจริญด้วยปัญญาเพราะหตุนั่นแหลท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาวุ ธ, ธิท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหละความเสื่อมจากยศ ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยหรอกภิกษุทั้งหลายความเสื่อมที่นับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความเสื่อมทั้งหลายคือความเสื่อมจากปัญญาความเจริญด้วยยศยังนับว่าเป็นความเจริญเอียงเล็กน้อยหรอกภิกษุทั้งหลายความเจริญที่เรากล่าวว่าเป็นยอดคือความเจริญด้วยปัญญาเพราะเหตุนี้แลท่านทั้งหลายพึงสำเนีกอางนี้ว่า เราจะเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาวุตติท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แลข้อความจากเอกานิบาตอังคุตรันิกายยี่สิบจิตผ่องใสเศร้าหมองได้หลุดพ้นได้ดูก่อนอีกสุดทั้งหลายจิตนี้ผ่องใส ก็แต่ว่าจิตนั้นแหลหลุดพ้นได้จากอุปกิเลสที่จอนมาข้อความจากเอกานิบาตอังคุตรนิกายอุปกิเลสคือความชั่วทางจิตที่ทำให้จิตเศร้าหมองมีความโลภอย่างแรงเป็นต้น 21. การอบรมจิตของอุตุชนผู้ไม่ได้สดับและอริยาสาวกผู้ได้สดับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผ่องใสก็แต่ว่าจิตนั้นแหลซเศร้าหมองได้เพราะอุปากิเลสที่จอดมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรื่องนั้นย่อมไม่รู้ตามความจรงิงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าการอบรมจิตของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผ่องใส ก็แต่ว่าจิตนั้นแลหลุดพ้นได้จากอุปกิเลส ท, ที่จรมาอริยาสาวกผู้ได้สดับเรื่องนั้นย่อมรู้ตามความจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าการอบรมจิตของอริยาสาวกผู้ได้สดับมีอยู่ข้อความจากเอกนิบาตอังคุตระนิกาย22สิบสอง เมตตาจิตชั่วเวลาลัดนิ้วมือเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุซ่องเสพเจริญทำในใจซึ่งเมตตาจิตแม้ชั่วเวลาสักว่าลัดนิ้วมือเดียวเราย่อมกล่าวว่าเธอผู้นี้อยู่อย่างไม่ว่างจากฌานเป็นผู้ทําตามคําสอนของจาสดาเป็นผู้ปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันอาหารของราษฎรไปเปล่าๆจะกล่าวใหญ่ถึงข้อที่ภิกษุจะทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่าข้อความจากเอกานิบาตอังคุตระนิกาย23สากุศลอกุศลมีใจเป็นอ ห, หน้าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมหรือธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นไปในส่วนแห่งอกุศลเป็นไปในปักป่ายคือพวกแห่งอกุศลเหล่าใดเหล่านึงธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีใจเป็นหัวนหน้าใจย่อมเกิดก่อนธรรมหรือธรรมะเหล่านั้นอกุศลและธรรมทั้งหลายย่อมเกิดตามมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นกุศล เป็นไปในส่วนแห่งกุศลเป็นไปในปักปายคือพวกแห่งกุศลเหล่าใดเหล่าหนึง่งธรรมหรือธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิดก่อนธรรมหรือธรรมะเหล่านั้นกุศ ล, ละธรรมทั้งหลายย่อมเกิดตามมาข้อความจากเอกานิบาตอังคุตระนิกายสี่ ผู้ให้กับผู้รับดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วแล้วทายกคือผู้ให้พึงรู้ประมาณไม่ใช่ปฏิคาหกคือผู้รับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะกล่าวไว้ชั่วแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้วปฏิคาหกคือผู้รับ ถึงรู้ประมาณไม่ใช่ทายกหรือผู้ให้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะกล่าวไว้ดีแล้วข้อความจากเอกนิบาตอังคุตรนิกาย 25. หผู้ป่ารบความเพียนกับผู้เกียจคร้านดูก่อนอิสุทั้งหลายในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วแล้ว ผู้ใดปรารกความเอียนผู้นั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ใดเกียรคร้านผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะกล่าวไว้ชั่วแล้วดูก่อนอีกสุทั้งหลายในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้วผู้ใดเกียรคร้านผู้นั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ใดปรารบความเอียนผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไร ราธรรมะกล่าวไว้ดีแล้วข้อความจากเอกนิบาตอังคุตระนิกาย 26. โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมหรือธรรมะอื่นสักข้อหนึ่งที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดนี้ ดูกรพิสุตทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นอิดเป็นอย่างยิ่งข้อความจากเอกานิบาตอังคุตระนิกาย -27. บ่บภพคือความวนเวียนเป็นนั่นเป็นนี่เปรียบเหมือนอุจจาระดูก่นพิสุตทั้งหลายอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำหนอง เลือดแม้มีประมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดเราย่อมไม่สรรเสริญพบคือความวนเวียนเป็นนั่นเป็นนี่แม้มีประมาณน้อยโดยที่สุดแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้นข้อความจากเอกานิบาตอังคุตระนิกาย 28. ผลของสุจริตและทุจริต ดูก่อนอีกสุดทั้งหลายนั่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสอันจะเป็นไปได้ที่วิบากหรือผลของกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจะพึ่งเกิดขึ้นให้หน้าปรารถนาน่าใกลหน่าพอใจฐานะนั้นย่อมไม่มีก็แต่ว่าฐานะนั้นมีอยู่ที่วิบากหรือผลของกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริจรรจนนมมต จะพึงเกิดขึ้นให้ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจฐานะนั้นมีอยู่ดูก่อนภิสุทั้งหลายนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสอันจะเป็นไปได้ที่วิบากหรือผลของกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะพึงเกิดขึ้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร้ไม่น่าพอใจ ฐานะนั้นย่อมไม่มีก็แต่ว่าฐานะนั้นมีอยู่ที่วิบาบหรือผลของกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะพึงเกิดขึ้นให้หน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจฐานะนั้นมีอยู่ข้อความจากเอกานิบาทอังกุตรนิกาย ยี่สิบเกากายคตาสติเปรียบเหมือนมหาสมุทรดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครๆนึกออกถึงมหาสมุตก็จะเห็นได้ว่าแม่น้ำน้อยทั้งหลายใดๆก็ตามที่ไหลลงทะเลย่อมเป็นอันผู้นั้นอย่างเห็นได้กายคตาสติคือสติอันไปในกายใครๆจเจริญแล้วทำให้มากแล้ว กุศลละธรรมทั้งหลายใดๆก็ตามที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาคือความรู้ธรรมะที่เป็นจริงย่อมเป็นอันผู้นั้นยังเห็นได้ข้อความจากเอกานิบาตังคุตระนิกาย30กายคตาสติทำให้ได้อะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะอย่างหนึ่งที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชเพื่อประโยชน์อันใหญ่เพื่อความปลอดโปรงจากโยคะอันใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อได้ญาณทัศนะความเห็นด้วยญาณคือความรู้ภายในเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาหมายถึงความรู้และวิมุตต์หมายถึงความหลุดพ้น ธรรมะอย่างหนึ่งเป็นชนัยธรรมะอย่างหนึ่งคือกายคตาสติหมายถึงสติอันไปในกายดูก่อนอีกสุทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งนีแลที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชเพื่อประโยชน์อันใหญ่เพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติข้อความจาก เอกานิบาตอังกุตรนิกายสำหรับคำว่าโยคะอันใหญ่ในที่นี้คือกิเลส ท, ที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพมีสี่อย่างคือกามภพทิฏฐิและอวิชชาส1สบเอ็ดอา น, นิสงส์ต่างๆของกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมะอย่างหนึ่ง อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกบคือความตรึกวิจาร์คือความตรองก็ระงับธรรมหรือธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่ธรรมะอย่างหนึ่งเป็นชนะัยธรรมะอย่างหนึ่งคือกายคตาสติหมายถึงสติอันไปในกาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมะอย่างนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็ระงับธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่หมายเหตุจกในหนังสือวงเล็บไว้ว่าขึ้นต้นอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน มีคำแสดงอนิสง์ของกายคตาสติต่อไปอีกว่าเมื่อเจริญทําให้มากซึ่งกายคตาสติแล้วอกุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วอันบุคคลย่อมละได้เมื่อเจริญทําให้มากซึ่งกายคตาสติแล้วกุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้น เมื่อเจริญทำให้มากซึ่งกายคตาสติแล้วอวิชชาอันบุคคลย่อมละได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นอัสมีมานะคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อันบุคคลย่อมละได้อนุสัสคือกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องในสันดานทั้งหลายย่อมถึงความถูกถอนรากสัญโยทั้งหลายคือกิเลสที่มัดสั์ไว้ในภพอันบุคคลย่อมละได้ เมื่อเจริญทำให้มากซึ่งกายาขตาสติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานในปัญญาเพื่ออนุปาทาบรินิพานคือสภาพที่ดับสนิทโดยไม่มีเชื้อเหลืออเนกาธาตุปฏิเวทความตรัสรู้หรือรู้ทราบซึ้งตลอดาธาตุเป็นอเนกนาน า, าธาตุปฏิเวทคือความตรัสรู้หรือรู้ทราบซึ้งตลอดาธาตุต่าง นานาธาตุปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานเนธาต่างๆย่อมเกิดขึ้นเมื่อเจริญกายคตาสติเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งกายคตาสติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสกัทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งกายคตาสติแล้ว ยอมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเพื่อความเจริญด้วยปัญญาเพื่อความภัยบูนด้วยปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเต็มที่เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไม่มีขอบเขตเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญา เพื่อความเป็นผู้มีปัญญารวดเร็วเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาอันทำให้บันเทิงเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวพริบเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากล้าเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำระ ก, กิเลสข้อความจากเอกนิบาตอังคุตรนิกายสำหรับคำว่าปฏิเวทแปลว่าแทงทะลุ หรือที่โบราณแปลว่าแทงตลอดเมื่อมาในลำดับเพลงปริยัตคือการเรียนปฏิบัติคือการกระทาปฏิเวทหมายถึงการได้รับผลของการปฏิบัติ 32. กายคตาสติกับอมะตะดูก่อนอิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่ได้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นไม่ได้บริโภคอมะตะ ผู้ใดได้บริโภคกรายคตาสติผู้นั้นได้บริโภคอมตะข้อความต่อไปอีกมากมีใจความว่าไม่เกี่ยวข้องกับกายคตาสติก็ชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอมตะต่างแต่วหารที่เปลี่ยนไป